ขอากาศน้อมน้อมพระรัธนตรัยพระพุทธธรรมพ ร, งพรสงฆ์ขอากาศพร ะ, าพระาอาจารย์เผยสารขอการครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามแล้วก็จะเดินในธรรมไม่ขี่แล้วก็ยติธรรมทุกคนอเราก็นั่งฟังกันตามสบายนะทำใจให้สบายๆนะเราทำใจให้สบายเหมือนกับ แก้วน้ําหรือว่าภาชนะที่ว่างๆนะถ้าแก้วน้ําหรือภาชนะที่มันว่างนะมันก็พร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆเข้ามาได้นะแต่ถ้าจิตใจเราไม่สบายหรือว่าจิตใจเราเต็มไปด้วยความคิดนะความกงังวลใจนะเราก็จะไม่สามารถรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ดนั้นต้องทําใจให้ว่างๆสบายๆนะ มันจะได้รับสิ่งที่เกิดจากการฟังตัวนี้นะเข้าไปสู่จิตใจของเราบางทีมันในชีวิตเราอาจจะธรรมะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการแค่เราตั้งใจฟังบางทีเราไปพบเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะหรือสิ่งที่เราไปได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะ่ะบางทีเขาก็สอนธรรมะกับเราได้ถ้าจิตใจเราว่างพอนะมันก็จะน้อมสิ่งต่างๆเา น, นั้นอะ่ะ มาเป็นครูสอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นนะเรียกว่าธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็สอนธรรมะเราได้หรือแม้แต่ผู้คนสังคมที่มันดูดูเหมือนวุ่นวายดูเหมือนไม่มีธรรมะนะแต่ถ้าจิตใจเราเปิดกว้างเราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งต่างๆตร ง, ง, ง, ง, ง, งนั้นได้อย่างเราธมาเองตอนมีวันหนึ่งตอนช่วง เข้าภาษาใหม่ๆนะช่วงต้นเข้าภาษาใหม่ๆไปบินทบาทในหมู่บ้านนะก็ผ่านร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งนะเขาก็เตรียมตัวจะใส่บาตรก็เห็นที่หน้าร้านค้าของเขานะก็มีกล่องกล่องเบียร์บ้างกล่องเหล้าบ้างนะตั้งซ้อนกันเยอะเลยนะอยู่หน้าร้านนะแต่บนกล่องกล่องเบียร์กองเรล้านั้นก็มี ทางสังกทานนะมีสังกทานที่ห่อเป็นถุงๆนะตั้งซ้อนกันเหมือนเป็นชั้นนะเหมือนกล่องเบียร์กล่องเหล้านี่เป็นชั้นทางสังกทานนี่ก็ตั้งอยู่บนชั้นตรงนั้นนะเหมือนเขาตั้งใจนะตั้งใจที่จะให้ทั้งเบียร์แล้วก็เหล้าแล้วก็สังกทานนี่อยู่หน้าร้านเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าที่จะมาซื้อของโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะ มันก็เทศกาลเข้าภาษาใหม่ๆคนอาจจะถวายสังฆทานวัดธรรมบุญกันเยอะนะเราเห็นภาพตัวนี้แล้วถ้าเราจะมองแบบผ่นานๆนะมองแบบเป็นธรรมดา ม, มันก็ได้นะแต่ถ้าเรามองเราเห็นว่าเป็นข้อคิดอย่างไรมันก็ได้เหมือนกันนะมันเป็นไงคือบางทีมันก็เห็นว่าที่จริงคนเนาะมันก็บางทีก็ อยากจะทำบุญตามโอกาสเช่นวันเข้าวพรรษาหรือว่าคิดอยากจะทำบุญในช่วงเทศกาลวันเกิดของตัวเองหรือว่าวันไหนๆก็แล้วแต่แต่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่ามันก็ทำบาปอยู่คู่ไปด้วยนะอย่างเช่นเราเห็นเห็นเหลาเห็นเบียร์กับสังฆทานที่อยู่คิดกันมันเหมือนคล้ายๆบาปก็จะเอานะบุญก็จะเอาเหมือนกัน คล้ายๆเหมือนกับงานบุญที่เราว่าเป็นงานบุญนะงานงานทอดกระถินงานทำบุญงานศพหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่นะงานบุญของคนไทยส่วนใหญ่ก็มีทั้งสิ่งที่เรียกว่าอบายยมุกนะแล้วก็สิ่งที่เรียกเป็นงานทำบุญนีมนพระมาสวดมนต์ถวายพรตทหารเช้าพระทหารเพลิก็แล้วแต่นะมีมห่อระศพบ้างคือมันก็ป่นเกินไป นะบุญก็ทำบาปก็ไม่ละนะบาปก็ทำเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นนะมันก็ตลกดีเหมือนกันตลกยังไงเพราะมันขัดกับสิ่งที่พระเจ้ า, าท่านสอนนงพระเจ้าท่านสอนไดาในโอวาทที่ง่ายๆให้พวกเร า, เาให้พวกเราได้เป็นชาวพุทธที่ง่ายๆนะท่านสอนย่ยอๆ ก, ก็คือบอกว่าให้เราละความชั่วใช่ไหมให้เราละ ทำในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่เป็นความชั่วที่มันผิดศีลหรือว่าผิดธรรมเราก็ละไปเสียอะไรที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลเราก็ทำให้ถึงพร้อมด้วยนะแต่เนี่ยก็คือความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เคยละนะแต่สิ่งที่ดีเราก็มีเ้าก็ทาเช่นเดียวกันนะมันก็สองอย่างมันก็เลยอย่างข้อแรกเราไม่ได้ทําตามสิ่งที่พระเจ้าท่าน ท่านสอนไว้นะแต่ข้อที่สองคือการทำความดีเราก็ทําบ้างตามโอกาสหรือว่าตามพิธีนะหรือบางคนก็ทําเป็นประจำนะแต่ก็มีข้อที่สามที่สําคัญเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการที่เรารู้จักฝึกจิตฝึกใจของตนให้สะอาดให้บริสุทธินะ์อันนี้ถ้าเราทําครบทั้งสามส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทาตามคา ส, สอนของพระพุทธเจ้า แต่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ความมีศีลหรือว่าการละความชั่วเนี่ยก็ยังทําแบบกระพ้องกระแพ่งอยูนะ่บางคนเห็นว่าการรักษาศีล น, นะก็ต้องรอเรามาอยู่ที่วัดนะหรือว่ารักษาศีลตอนช่วงเราปฏิบททัติธรรมแต่ในชีวิตจริงเราจะไม่สามารถรักษาศีลได้หรอนะบางคนก็เอาเอาการงานเอาสังคมมาเป็นข้ออ้างนะ เพราะว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมเราจําเป็นต้องกินเหล้าต้องไปงานเลี้ยงนะนะเราก็เอาการงานเอาสังคมมาเป็นข้ออ้างว่าที่เรารักษาสินไม่ได้มันมีเหตุมันมีเรียว่าเหตุผลอย่างไรนะแต่ที่จริงถ้าเราดูดีๆนะก็มีคนที่ทํางานเช่นเดียวกับเรานะหรือว่าใกล้เคียงกับเราแต่ก็มีที่เขารักษาสินได้นะที่เขาสามารถมั่นคงที่เขาสามารถ ให้เหตุผลกับตัวเองได้ในการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นศีลที่เรียบร้อยของตัวเองนะอันนี้อาจจะให้เราได้ทบทวนดูว่าบางทีเหตุผลอะไรที่มันเป็นข้ออ้างทําให้เราเกิดความบกพร่องที่จะทําให้พฤติกรรมทางกายหรือว่าจาหรือสิ่งที่เราเรียกว่าศีลเนี่ยมันขาดตกบกพร่องไปนะจะเป็นศีลห้าก็ดีหรือว่าคนอยู่วัดถือศีลแปก็ดีหรือจะเป็นศีล 227ข้อในพระปติโมกข์ของพระก็ดีเรามีข้ออ้างอะไรไหมที่มันที่มันมาทําให้เราเรียกว่าอาศัยเหตุผลข้ออ้างนั้นทําให้เรายัางประพฤติตนไม่สมควรในในศินที่เราควรที่ประพฤติเพราะที่จริงการประพฤติเรื่องศินเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สําคัญมากนะถ้าเราไม่ละความชั่วตรงนี้แล้วนะ มันก็เกิดความเรียกว่าเศร้าหมองจิตใจนะเราอาจจะตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จริงอยู่แต่ถ้าเราก็ยังทำสิ่งที่มันไม่ดีนะความคิดมันก็จะย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่เราทำผิดอยู่เสมอนะก็ทำให้จิตมันเกิดความเรียกว่าวุ่นวายไม่เกิดความตั้งมั่นของจิตนะเพราะจิตมันจะคิดถึงสิ่งที่เราเคยทำบาปทำกรรมหรือว่าทาไม่ดีต่าง มันก็จะทำให้จิตมันตั้งมั่นได้ยากแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ดีนะจิตเราก็บริสุทธิ์อย่างน้อยแม้สมาธิหรือว่าปัญญามันยังไม่เกิดแต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจแล้วว่าเราได้ประพฤติทำกายวาจาที่สมควรกับความเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีหรือเราได้บวชเป็นพระบวชเป็นชีแล้วเราก็ได้รักษาสิ่งที่เป็นพระวินัยหรือว่าศีลตัวเนี้ยได้สมบูรณ์แล อันนี้เมื่อเราทำแบบนี้เราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยศีลเราก็บริสุทธิ์ในการรักษาที่เนื้อหาของของศีลที่พระเจ้าท่านสอนอาจจะไม่ใช่เพียงไปการยึดศีลในแง่ของเป็นข้ อ, ข, อข้อท่านั้นเนาะแต่เราสามารถเข้าถึงหัวใจนะหัวใจที่พระเจ้าทนสอนคือการทําอย่างไรให้กายแล้วก็วาจาเป็นปกติได้อันนี้แหละถ้าเราทําเช่นนี้นะเราก็มีศีลที่สมบูรณ์นะ แต่จริงสินที่สมบูรณ์มันอาจจะไม่ใช่สิลที่เป็นข้อต่งนั้นถ้าเราเป็นนับปฏิบัติธรรมมันจะมีศินอยู่อย่างหนึ่งที่ที่สําคัญมากนะเขาเรียกว่าอิรนรียอินทรียะสังวรณ์สินก็คือสินที่เกิดจากการรู้เท่าทันอินรียของเราเองอินซีอีกหึงว่าไม่ใช่อินรียรู้เท่าทันอายตนะอ่ายตนะภายนอก แล้วก็ภายในที่กระทบสัมผัสกันก็คือว่าเมื่อตาเราเห็นรูปแล้วนะเราเกิดความรู้สึกอย่างไรเราก็รู้ทันที่ใจของเรานะหูได้ยินเสียงนะเกิดอารมณ์ปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นชอบหรือเป็นชังเราก็สามารถนะรู้เท่าทันจิตใจของเราได้ใช่ไหมมันอย่างวันสองวันก่อนนะ่ะมีเสียงดนตรีเสียงดังมีเสียงแข่งกีฬานะ จิตใจเรารู้สึกแบบไหนนะเราเดินจงกรมอยู่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่แต่เสียงภายนอกก็เสียงดังจิตใจเราเป็นแบบไหนเราสามารถรู้เท่าทันสิ่งที่กระทบในใจของเราได้ไหมนะเมื่อเสียงที่มันดังมารบ ก, กวนนะจิตใจเรารู้สึกแบบไหนแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตใจเราสมมติเนาะบางทีเราก็ไปปรุงแต่งตามเสียงเพลงเกิดความพอใจอ่เรารู้ทันใจของเรา หรือบางทีเราก็เกิดปฏิฆะความนองคานใจไปวิพากวิจารณ์คนภาคไปวิพากษ์วิจารณ์คนเปิดเพลงนะเราก็รู้ทันจิตใจของเราก็ได้คือมันไม่จําเป็นว่าได้ฟังแล้วมันจะเงียบหรือมันจะนิ่งตลอดไปนะแต่ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรกับใจนะเราก็ตามมาดูทันนะตามดูทันใจของเราเองอันนี้คือทางตาก็ดีทางหูก็ดี ทางจมูกจะได้กลิ่นอะไรก็ดีนะทางลิ้นทางกายที่สัมผัสหรือแม้แต่จิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเราก็รู้ทันอันนี้ถ้าเรารู้ทันสิ่งที่กระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแหละมันจะส่งผลกระเทือนมาสู่จิตใจเมื่อเราสามารถกลับมารู้ทันถึงจิตใจได้อันนั้นแหละมันจะเป็นศิลที่เรียกว่ารักษาที่ใจเลยนะนะ เพราะว่าใจเราเวลามันไปคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยมันรักษาที่ต้นต่อก่อนที่จะไปพูดก่อนที่จะทํามันต้องคิดก่อนใช่ไหมและสังเกตบางคนอาจจะบอกว่าเออเราทําก่อนพูดเออทําทําหรือว่าพูดก่อนคิดนะแต่จีิจริงมันไม่ใช่นะมันคิดก่อนแหละแต่เรา ร, รู้ไม่ทันความคิดเราก็เลยไปพูดเช่นนั้นเราก็เลยไปทําเช่นนั้นนะ อย่างเวลาเราโมโหใครหรือทะเลาะวิวาดกันอยู่เนะ่ยเนะ่ยเราก็เผลอไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปพูดแล้วเราก็กลับมาเสียใจทีหลังแล้วก็คิดว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนะไม่น่าตีลูกเลยไม่น่าอด่าแม่เลยนะไม่น่าทะเลาะกับพ่อเลยเราก็คิดว่าไม่น่าทำํำนะน่าจะคิดก่อนแต่จริงอันนี้แหละที่จริงถ้าเรารู้ทันนะรู้ทัน มีสติรู้ทันความคิดก่อนนะที่จริงมันอาจไม่ใช่คําว่าอไมน่น่าจะคิดก่อนแต่จริงน่าจะใช้คําว่าน่าจะรู้ทันความคิดของตัวเองก่อ น, น <med> หรือน่าจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองก่อน <med> ถ้าเรารู้ <med> ทันความคิดที่เกิดขึ้นในใจหรือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นแหละสติมันจะยับยั้งยับยั้งความโกรธที่มีในใจไม่ให้พูดออกไป ไม่ให้ทําออกไปในทางที่มันไม่ดีนะพอทําแล้วเราก็รู้ว่ามันจะเสียใจภายหลังนะอันเนี้ยเรามีสติรู้ทันอันเนี้ยแหละมันเรียกว่าเป็นสติเจะทำให้เรามีศินที่บริสุดคือตรงนี้นะสิลที่บริสุดมันอาจจะไม่ใช่เกิดจากการแค่เราเข่งครัดนะในการเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นคนที่ดูเหมือนธรรมะธรรมรักษาศินอยู่เป็นปกตินะอันนั้นก็อาจจะเป็นศิน ข้อขอไปแต่สิลที่เรียกว่าทำให้มันกําจัดต้นตอนะของอกุศลทั้งหลายก็คือมีสติรู้ทันความคิดหรือว่ารู้ทันจิตนี่แหละมันจะทำให้เรารักษาศิลทางกายทางวาจาได้อย่างเป็นปกติมากเพราะว่าเราเห็นต้นตอของความคิดของความหลงแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตใจนี่เองนะถ้าเรากลับมาย้อนมารู้ทันจิตใจตัวนี้แหละ มันจะทําให้เรามีสติที่บริสุทธิ์จริงๆทั้งนั้นอินทรียสังวรศีลเนี่ยเป็นศีลของของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นโยมก็ดีเนะี่ถ้าเรามีศีลตัวเนี้ยเราจะเสมอกันโดยความเป็นศีลที่บริสุทธิ์เท่ากันนะแต่ศีลภายนอกมันเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าศีลในการปฏิบัติเนยศีลข้อเนี้ยสําคัญที่สุดนะถ้าเรารักษาศีลตัวนี้ได้นะมันจะทําให้นะ กายแล้วก็วาจาเป็นปกตินะเมื่อกายวาจาเป็นปกติมันก็ส่งผลให้จิตใจมันเกิดความมั่นคงจิตใจมีสมาธิจิตใจมีความสงบนะความวุ่นวายในจิตใจมันก็จะน้อยลงไปนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์นะนะเมื่อตาเราเห็นรูปนะอาจจะมีการปรุงแต่งแต่พอเรามีสติรู้ทันการปรุงแต่งนะั้นมันก็ดับไปนะมันก็จะ ไม่ยืดยาวนานออกไปเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันจะทําให้การบั่นไหวของจิตใจของเรามันน้อยลงนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ต้นใดที่รากมันมันไม่มั่นคงรากมันไม่ดงไปดึกหรือว่าไม่ใหญ่นะเมื่อเกิดมีพายุ ด, ดมแรงหรือว่าฝนตกหนักๆนะต้นไม้ต้นนั้นก็มีโอกาสที่จะโค่นได้ง่ายหรือว่า ดินอาจจะถล่มลงมาต้นไม้ก็ล้มตามไปกับดินไปเลยนะแต่ถ้าต้นไม้ต้นใดนะรากมันยังลึกลงไปมั่นคงแข็งแรงแม้บางทีพายุจะแรงก็ตามฝนจะตกหนักก็ตามแต่รากของเขาเนี่ยมันมันมั่นคงอยู่นะมันก็ไม่ล้มหรือว่าไม่พังจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจของเราที่มีสมาธิมั่นคงนะตั้งมั่นนะ โอกาสที่จะวันไหวไปมันก็น้อยนะหรือว่าวันไหวไปแป๊บหนึ่งนะมันก็กลับมาเป็นปกตินะเหมือนกับลมพัดต้นไม้ใหญ่ๆนะไอ้ที่มันพัดไปมันก็เป็นเพียงแค่ใบแต่ต้นมันแทบจะไม่โยกเยกโคงเค้งตามลมไปด้วยนะหรือแท้โยกไปก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาตั้งตรงเป็นปกติจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตใจที่มีสติแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่นะ พอเจออารมณ์กระทบนะมันก็หวันไหวไปนิดหนึ่งเมื่อเรารู้ทันว่าจิตเป็นวันวหวันไหวไปนะจิตมันจะกลับมาเป็นปกติของมันอันนี้สติจะทําหน้าที่ตรงนี้ทําให้จิตมันตั้งมั่นตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าตั้งแบบซื่อๆเฉยๆตลอดเวลานะอันนั้นเพราะจิตปุตชนคนธรรมดามันมีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นปกติมันมีความคิดเกิดขึ้นเป็นปกติ แต่เพียงว่าเรามีสติคอยรู้ทันจิตนะเมื่อมีสติรู้ทันจิตนะมันก็จะหวันห่นไหวไปแป๊บเดียวหรือความคิดที่เราเคยคิดมากๆหรืออารมณ์ที่เราเคยดุนแรงนะบางคนเคยโกรธเคยโกรธแบบเรียกว่าเป็นคนเจ้าโทสะเป็นคนโมโหร้ายนะถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราจะรู้ทันตั้งแต่ก่อนที่มันจะโมโหก่อนที่มันจะโกรธมันมีอะไร มันมีความขัดใจมันมีความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆ น, นี่แหละถ้าเรามีสติรู้ทันตั้งแต่ตอนที่มันเรียกว่ามีความไม่พอใจนะมีความคิดไม่พอใจเกิดขึ้นหรือว่ามันขัดใจนิดหน่อยเรา ก, ก็รู้ทันแล้วมันจะดับที่ตรงนั้นมันเปรียบเสมือนกับกองไฟที่ไฟมันจะไม่บ้านก็ดีไม่ตึกก็ดีหรือว่าไม่ป่าก็ดีเนาะมันก็ต้อง เริมจากกองไฟเล็กๆน้อยๆนะจากไม่ขีดก้านหนึ่งหรือเกิดจากไฟช็อจุดหนึ่งมันค่อยลามไปเรื่อยๆจนทั้งกลายเป็นไหม้บ้านหรือว่าไหม้ตึกหรือว่าไหม้ป่า mm. จิตของเราก็เหมือนกันนะที่มันโดนไฟของราคะก็ดีไฟของโทสะก็ดีหรือว่าไฟของโมหะก็ดีที่มันไหม้จิตใจของเรานะมันก็เกิดจากกองน้อยๆเท่านั้นแหละนะ เกิดจากความที่เรารู้ไม่ทันความคิดนะมีอารมณ์ปรุงแต่งน้อยๆขึ้นมาเนี่แหละนะเมื่อเรารู้ทันว่าอารมณ์มันปรุงแต่งขึ้นแล้วนะสติจะทําหน้าที่ดับไฟตรงนั้นได้แต่ถ้าเรารู้ทันมันช้านะมันก็จะเหมือนไฟที่มันลามเป็นกองใหญ่ไปนะแ้วเราก็ดับมันไม่ได้เหมือนอย่างที่หลายคนก็รู้นะรู้สึกว่าโกรธแต่ความโกรธก็ไม่ได้หายไปนะเออ หรือบางคนก็รู้สึกว่าเครียดนะแต่พอรู้แล้วความเครียกก็ไม่หายไปหรบางทีเราก็รู้สึกมันทุกข์อ่ะมันเศร้าทำไงก็ไม่หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปล่อยให้อารมณ์มันครอบงมจิตใจไปเนิ่นนานแล้วนะมันก็เลยยากเหมือนกับกองไฟที่มันไหม้เป็นกองโตละนะมันก็ดับยากนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้เราพยายามมันรู้ทันมันนะ ถ้าเรารู้ทันมันตั้งแต่ตอนแรกมันดับไปเลยมันก็ดีแต่แม้รู้ทันมันตอนหลังมันไหม้ไปมากแล้วนะมันดับไม่ได้แต่สติก็จะทําให้เราดับไปทีละน้อยนะแม่น้ํำจะน้อยนะก็ดับไฟได้ทีละน้อยก็ไม่เป็นไรแต่คอยมันนะดับไปเรื่อยๆดับไปบ่อยๆนะสักวันหนึ่งมันก็ย่อมดับได้นะหรือแต่ที่จริงสติมันมันดีกว่านั้นนะ มันคล้ายๆแต่ก่อนเราก็อินกับอารมณ์นั่นแหละนะหรือว่าเราจมกับความโกรธความทุกข์ต่างๆก็แล้วแต่พอเรามีสตินั้นมันอาจจะเหมือนว่าเราเป็นผู้โกรธก็ดีเป็นผู้ทุกข์ก็ดีแต่ที่จริงขณาดที่เราดูตัวว่าเรากำลังโกรธอยู่นะเมื่อ น, นั้นมันก็มีสติ น, น้อยๆแทรกขึ้นมาแล้วนะมันออกมานิดหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่ามันเหนียวมันแน่นมันก็เลยเข้าไปทุกข์อีกเข้าไปโกรธอีกนะ แต่จริงเราก็ค่อยหมั่นออกมาบ่อยๆค่อยหมั่นออกมาบ่อยๆนะมันก็จะเรียกว่ามันก็จะทำให้เราไม่ไปิดจมกับความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นอย่างน้อยออกมาบ้างก็ยังดีนะดีกว่าจมกับความทุกข์ทั้งหมดอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากนะาการมีสติแม้เล็กน้อยนะบางทีหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังดีนะ มันเร็วมากเนาะช้างกระดิกหูแต่ว่างูแลบลินสติเราแม้เล็กน้อยนะแบบนั้นก็ยังดีนะแต่ขอให้เราเรียกว่ามีบ่อยๆก็พ อ, อเกิดขึ้นบ่อยๆก็พอเมื่อเราเระลึกได้เมื่อไหร่นะตอนเนี้ยระลึกได้เมื่อไหร่เราดูตัวทันทีเลยนะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะฟังนะหรือว่าจะทําอะไรเราคอยกลับมาระลึกดู ที่กายที่ใจของเราเองนี่แหละว่าตอนนี้กายกำลังทําอะไรอยู่หรือว่าจิตใจมีอารมณ์หรือว่ามีความคิดหรือมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเรารู้ทันนะรู้ตรงที่ปัจจุบันอะไรก็ได้นะที่ที่มันเด่นในขนาดนั้นนะอารมณ์ในปัจจุบันตอนนี้แหละอะไรก็ได้ที่มันเด่นในตอนนั้นจะเป็นกายก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นธรรมอารมณ์ก็ดีมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะ ทั้งสทั้งสี่ส่วนเนี่ยนะหรือว่าสี่หมวดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานั่พระพุทธเจ้าก็ได้สอนว่าสติปัฏฐานมันมีทั้งสี่หมวด น, นะมันก็ทั้งสี่หมวดเนนะี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลานะเอาง่ายๆนะกายมันก็แสดงอาการของกายอยู่ตลอดเวลานะทั้งแต่เรานอนก็ดีเราตื่นขึ้นมาก็ดีเราทำอะไรก็ดีมันมีกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะ แม้แต่ตอนดับมันก็มีการหายใจนะมีการพลิกตัวมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะดังนั้นเราจะดูกายตลอดเวลาก็ยังทําได้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือว่าความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยเฉยก็ดีเนะี่ยเวทนา น, นี่ก็มีตลอดนะบางครั้งมันก็เกิดความสุขบางครั้งก็เกิดความทุกข์หรือบางครั้งมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่มีตลอดเวลาเลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะตลอดทั้งวันทั้งปีมีอารมณ์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือแม้แต่จิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเราก็สามารถรู้ทันได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะจิตใจถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือว่าจิตที่เป็นปกติก็คือจิตที่เรียกว่าไม่มีความปรุงแต่งนะจิตที่เรียกว่าเป็นจิตว่างๆว่างๆก็ได้นะกับจิตอีกประเภทหนึ่งคือจิตที่เรียกว่า มีอารมณ์ปรุงแต่งหรือใช้ก็ว่าจิตไม่ปกติก็ได้เช่นจิตมีความโลภจิตมีความโกรธจิตมีความหลงจิตความคิดฟุ้งซ่านนะจิตมีสิ่งต่างๆมาปรุงแต่งเ น, นี่ยคือสภาวะนยจิตของเรานะมันก็มีสภาวะที่เป็นปกติด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ปกตินะมันสลับกันเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดเวลานะจิตมันก็มี ให้ดูเราตลอดเวลาเราจะดูจิตที่มันมีความคิดมาปรุงแต่งก็ได้หรือว่าเราจะดูจิตที่มันยังไม่ทันมีความคิดมาปรุงแต่งก็ได้นะปฏิก็สามารถรู้ได้หรือกระบวนการทำมารมต่างๆก็เหมือนกันนะมันแสดงปรากฏการณ์ต่างๆนะของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ดีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันแสดงสาภาวะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ คล้ายๆกับฤดูกาลของแต่ละปีเนาะที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆกระบวนการธรรมารมณ์ที่แสดงในตัวเราเองก็ดีเนาะมันแสดงเร็วมากนะฤดูกาลนี่หนย่งปีหนึ่งถึงเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแต่อารมณ์ในจิตใจของเราเนี่วินาทีหนึ่งบางทีมันเปลี่ยนไม่รู้กี่ครั้งนะถ้าเรามีสติเร็วพอเนี่ยแค่ชั่วยกมือสร้างจังหวะอะรอบหนึ่งเนี่ยบางทีความคิดหรือว่าอารมณ์ปรุงแต่งนี่มันเกิดขึ้นถี่มาก หรือบางขณะถ้าเรามีสตินะได้เด่นชัดขึ้นนะแม้แต่ช่วงการกินข้าวนะคํหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นจิตมันวันไหวไปเยอะมากนะนีบางทีจิตเราไม่ได้อยู่กับการกินข้าวเลยไม่อยู่กับการเคี่ยวเลยมันปรุงอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเรามีสติรู้ทันมันจะเห็นว่าจิตมันบันไหวนะเหมือนคล้ายๆถ้าเราเคยเห็นเห็นเจ้ามุกปวกก็ดีนะหรือมดก็ดีนะมันเดินอยู่บนใบไม้อะ จะเห็นมันมันเคลื่อนแบบมันเคลื่อนตัวแบบพร้อมๆกันนะเราจะเห็นว่ามันสั่นสะเทือนนะจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติชัดเจนเราจะเห็นว่าจิตมันแทบจะไม่ไม่ปกติเลยนะมันจะมันจะกระดิกนิดๆหน่อยๆนะเคลื่อนออกไปนิดหน่อยแต่ถ้าเรารู้ทันเร็วนะมันจะเคลื่อนแป๊บเดียวรู้ทันเราก็กลับมาเคลื่อนแป๊บเดียวรู้ทันเคลื่อนไปดูบ้างเคลื่อนไปฟังบ้างเคลื่อนไปคิดบ้างเนี่ยเป้น แต่ส่วนใหญ่มันจะเคลื่อนไปทางคิดนะหรือไม่ก็ไปทางดูหรือว่าไปทางในการฟังเราะจะเห็นเลยว่าจิตเราเนี่ยมันบั่นไบไปได้ง่ายนะแต่จริงเราฝึกเช่นนี้เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันเรียกว่าไม่คิดแต่เราฝึกเพื่อให้รู้ทันว่ามันคิดไปดังนั้นการฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเกิดศีล น, นะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญา พยาในการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาก็ได้นะจิตมันจะคิดมันก็เรื่องของเขาแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่มันก็คิดของเขาเองนะบางทีจิตมันก็ดงไปทุกนะเราก็ไม่อยากจะให้มันทุกใช่ไหมเราก็ไม่อยากเราก็ไม่ชอบความทุกข์หรือว่าเราก็อยากจะมีความสุขหรือเราก็อยากจะรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่อง แต่มันก็เห็นเลยว่ามันบังคับไม่ได้นะจิตจะคิดก็เรื่องของเขาเองจิตจะทุกข์ก็เรื่องของเขาเองนะหรือกายก็เหมือนกันนะกายมันจะทุกข์กายมันจะเจ็บมันจะปวดก็เรื่องของเขาเองเราบังคับไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็จะแก้ไขหรือว่าหรือว่าบันเทาก็ได้เนาะเช่นอาการของกายเนี่ยมันจะรู้อย่างเดียวแล้วมันจะหายมันก็ไม่ได้เนาะ กายมันก็รู้แล้วมันก็ต้องบรรเทานะต้องบำบัดต้องรักษานะแต่เรื่องของจิตเนี่ยแค่รู้อย่างเดียวเนี่ยมันรักษาได้ทันทีนะนะแค่เรารู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะอารมณ์ความคิดนั้นก็จะดับไปนะนะี่มันจะเกิดปัญญาที่ตรงนี้นะเกิดปัญญาในการเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นมันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ มันไม่ใช่เป็นไปตามใจเราต้องการนะแม้ใจเราจะต้องการความสงบแม้ใจเราจะต้องการความรู้สึกตัวแม้ใจเราจะอยากให้เกิดบัญญาขนาดไหนแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับกฎของไตรักษณ์ของกายแล้วก็ใจที่แสดงตจรักนี้นะเราก็ไม่เกิดปัญญาแน่นอนนะแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในไตรักนะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเรายอมรับตัวเนี้ย จิตใจเราก็จะเกิดปัญญาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจสี่ท่านบอกเลยว่าทุก์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะหรือบางที ท, ท่านใช้คำว่ากําหนดรู้นะนั้นทุกคือสิ่งที่เรารู้นะไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าไปละความทุกข์คนส่วนให ญ, ญ่พยายามที่จะละความทุกข์พยายามที่จะหนีความทุกขนะ์แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ หรือจะจะพูดให้เข้าใจชัด ก, ก็ น, นั้นคือสิ่งที่เราควรจะศึกษานะทุกคือสิ่งที่เราควรจะศึกษาเพราะนั้นความทุกข์ที่พระเจ้าท่านบอกว่าควรจะศึกษามันอยู่ที่ไหนพระเจ้าท่านโฟกัสหรือว่าย่อให้เราเห็นว่าทุกข์ก็คือกายกับใจนี่แหละเพราะ น, นั้นเราก็เลยต้องมาศึกษากายแล้วก็ใจไนงะกายมีสติจะช่วยให้เราศึกษากายแล้วก็ใจนะเรามาเจริญสติเพื่อศึกษาความเป็นไปของกายใจนี่แหละ ให้เห็นความจริงว่ามันมีทุกข์แบบไหนนะก า, ายมันเป็นทุกข์อย่างไรจิตใจมันมีทุกข์อย่างไรนะแล้วก็ถ้าเราศึกษาเรารู้จักทุกข์จริงๆเนาะเราก็จะเข้าใจว่าสาเหตุอะไรที่นำมาซึ่งความทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเพราะคนอื่นด่าเราหรือเปล่าความทุกข์เพราะเกิดจากมันมีเสียงดังภายนอกหรือเปล่าความทุกข์เกิดจากเพราะว่ามีโรคภัย เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือว่าความทุกข์เกิดจากใจของเราเองที่มันเรียกว่ามันมีความอยากนะหรือว่ามีความที่เรียกว่าไม่ยอมรับความจริงนะถ้าเรากลับมาดูนะกลับมาดูจริงๆว่าความทุกข์มันอยู่ที่ภายนอกหรือความทุกข์มันอะยู่ที่ภายในนะมันอยู่ที่จิตใจของเราหรือว่าอยู่ที่สิ่งภายนอกมากระทบเราจะเห็นเลยว่าอ้อแท้ที่จริงแล้วความทุกข์นี่ มันเกิดจากความอยากหรือว่าเกิดจากความคิดของเรานี่เองนะถ้าเรารู้ทันความทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราเองนะมันจะละตรงนี้ได้นะละความอยากไปได้มันก็ไม่ทุกข์แล้วนะหรือว่ารู้เท่าทันความคิดจิตก็ไม่ปรุงแต่งแล้วจิตก็ไม่ทุกข์แล้วมันจะกลับมาเห็นว่าเออความทุกข์เพราะเราคิดทุกข์เพราะเราหลงทุกข์เพราะเรายึดทุกข์เพราะเราอยากนี่เองเมื่อใ่ที่เลิกยึดเมื่อไใ่ที่เลิกอยาก เมื่อใดที่เลิกคิดเมื่อใดมันก็ไม่ลงแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเห็นว่าอ๋อสาเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เราก็ละเหตุของความทุกข์ที่ตรงนี้นะไม่ให้ไปละทุกข์นะละที่เหตุของความทุกข์คือการยึดคือการอยากคือการเรียกว่าปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเราก็ถ้าเรากลับมาทบทวนเนี่ยเราจะเดินตามบอร์ดพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เรารู้ทุกข์บอกให้ละเหตุของความทุกข์แล้วก็ จะเดินสิ่งที่เรียกว่ามักให้มากๆนะจะเดินมักก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ได้เนาะศินสมาธิปัญญาเนี่ยแหละอริย่อมมีงศาว่าเดียรย่อก็คือสินสมาธิปัญญาหรือที่จริงในภาคปฏิบัติก็คือการที่เดิญสตินี่แหละน ะ, จะเจริญสติอย่างเดียวนะเราก็จะมีศินเจริญสติอย่างเดียวเราก็จะมีสมาธิเจริญสติอย่างเดียวแล้วเราก็จะเกิดปัญญาแต่ผู้เช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง ยกมือหรือว่าเดินจงกรมอย่างเดียวนะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ที่มันอยู่ในทํานองที่เป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายที่เป็นสมาธิหรือว่าเกิดปัญญานะเราทำบุญทำทานตามโอกาสที่สมควรเรารักษาศีลอ่าให้เกิดความตั้งมั่นเกิดขึ้นหรือว่าเราศึกษาธรรมะจะเป็นการอ่านการฟังก็ดีแต่ทั้งหมดขอให้เป็นไปเพื่อให้เราเรียนรู้จักตัวเองนะ ยันรู้จักกายใจตัวเองจนกรทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของใตรักเห็นความจริงของธรรมชาติอันนี้ชื่อว่าเราจะเดินตามองค์มร์แล้วเพราะในองคมร์บางทีท่านแยกย่อยเป็นแปดหมวดนะทั้งแต่เรื่องของกายก็ดีเรื่องของวาจา ก, ก็ดีเรื่องของจิต ก, ก็ดีมันก็คือหมวดทั้งนั้นที่มันครอบคุมทั้งหมดคือเราจะเดินจะเดินแต่ว่าการทาให้มากนะทาให้มาก เจอตวเนี้เป็นไม่จะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนว่าเราละความชั่วทําความดีแล้วก็ฝึกจิตให้เกิดความบริสุทธิ์นี่ถือว่าเราจเจริญองค์มากแล้วถ้าเราทําให้มากเท่าไหร่นะจิตมันก็บริสุทธิ์มากเท่านั้นก็คือเราเข้าใกล้มรรคผลนิพพานสภาวะที่เรียกว่าไม่ทุกข์หรือสภาวะที่เรียกว่านิพพานมันก็จะปรากฏต่อหน้าเราบ่อยๆนะเราสามารถเข้าถึงนิพพานได้นะ ทุกลมหายใจนะถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าได้จิตเป็นปกติเราก็ไม่ทุกข์แล้วถ้าเรารู้ลมหายใจออกได้จิตที่เป็นปกตินะจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวเวันนั้นเหมือนก็ไม่ทุกข์แล้วหรือขณะที่เรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดรู้ทันว่ากายตอนนี้กาลังเคลื่อนไหวอยู่น่ตอนนั้นจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้คือสภาวะที่เรียกว่าเราจะเดินตามองค์มร์แล้วก็ สัมผัสถึงสภาวะนิโรธได้ทันทีอันนี้แหละคืออริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาก็ได้นะมันจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติธรรมของเราเองซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่อ ง, งเหนือวิสัยเกินไปสาหรับพวกเราเนาะมาแต่ขอให้พวกเรามีความตั้งใจนะอย่างที่บอกในกลุ่มปฏิบัติว่า ผลของเราเนี่ยจะเพิ่งไปคิดถึงมันมากแต่ให้เราพยายามโฟกัสหรือว่าดูที่ความตั้งใจในการทําเหตุของเรานะถ้าเราทําเหตุถูกมันย่อมเกิดผลแน่นอนถ้าเร า, เ จ, ราจะเดินนเจรเินในองค์มรรคเนาะมันต้องเกิดผลคือนิโรธแน่นอนอั น, นะก็ขอพวกเราทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเถิน